พอจะเห็นในแววาตาเธอพอจะรู้ว่าคิดนอะไรได้ยินมาว่าเธอพอใจใครคนนั้นเธอไม่เหมือนที่เธอเคยเป็นยังกับรักของเราไม่สำคัญดูคล้ายๆว่าเธอรอวันที่จะไป ไม่อยากให้ข้างเคียจะตัดใจถามแต่มันก็กลัวคำตอบเพราะฉันไม่รู้เจออยู่ได้อย่างไรถ้าเธอหมดใจมันคงหมดหนทางไปต่อความจริงจากเธอได้ยินคงปู ยังรักฉันหรือเปล่าก็อยากจะําเธอแต่มันไม่กล้าพ อ, อ, อ, อด้วยศักดิ์ศรีของคนคนหนึ่งคงไม่คิดจะฟืนใจใคร เธอทำตามความพอใจคงจะดีแต่มันรักให้ทำยังไงคำว่ารักมันเตือนอยู่ทุกทีว่าชีวิตทุกๆนาทีมีแต่เธอ ทนทางไปตอนความจริงจากเธอได้ดินคงปวดร้าวอย่างรักฉันหรือเปล่าก็อยากจะถามเธอแต่มันไม่กล้าพงมันไม่ดีกับตัวฉันเลยที่ปล่อยให อยังนี้เลยแต่จะให้ฉันทางไงวะรเธอ